ไม่ใช่ของลึกลับธรรมะอยู่กับตัวเรานี่เองเป็นของธรรมดาธรรมดาเป็นของเรียบง่ายความปรุงแต่งนั่นแหละทาให้เราห่างไกลธรรมะออกไปทุกทีถ้าเมื่อไรเรารู้ทันความปรุงแต่งบรรไดใจพ้นจากความปรุงแต่งเราก็เข้าใจธรรมะนี่อยู่ๆจะให้พ้นความปรุงแต่งไปเลยนะันมันทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลาดับไปเริ่มตั้งแต่รู้จักทาทานรักษาศีล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 แม้ตั้งแต่โสดาสักตาคานาคาพระราารอรหันต์หวงพ่อข้ามสักตาคาพระสักตาคาเนี่ยปัญญาอันเดียวกับพระโสดาคือเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่พระนาคานะเห็นนะรูปทั้งหลายนะกายทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆนพระอราหันต์จะเห็นในจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนในสุดก็ไม่ยึดถือพวกเรายังไม่เห็นพวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าทุกข์ล้วน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 งี้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังนะว่าการเป็นพระอริยนะั้นเป็นไปได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาเห็นแจ้งนะไม่ใช่ปัญญาคิดเอาถ้าปัญญานั่งคิดเนี่ยไม่เรียกปัญญาในทางศาสนาพุทธหรอกคิดเอาเองอย่างเรานั่งคิดเอานะว่าเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บเดี๋ยวเราก็ตายนั่งคิดได้เป็นคร่าวๆนะแป๊บเดียวก็ลืมอีกแล้วว่าเราจะต้องตายใช่ไหมนั่งคิดได้แป๊บเดียวกป๊ดาวก็ลืมไป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 เขาเริ่มเห็นความจริงเบื้องต้นอย่างนี้นะใจยอมรับไม่ได้ใจจะรู้สึกเบื้องว่างวังเวงขาดที่พึ่งที่อาศัยนะบางคนก็รู้สึกกลัวตัวเราหายไปแล้วตัวเราหายไปมันกลัวแล้วเราค่อยๆดูไปนะถ้าจิตใจมันเบื่อก็รู้ทันจิตใจมันกลัวก็รู้ทันจิตใจมันรู้สึกเบื้องว่วางไม่มีที่พึ่งที่อาศัยก็รู้ทันไปหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆจิตใจมันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไป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 ลืตัวเองเนี่ยฝึกนะฝึกรู้อย่างนี้แหละดูไปเรืยนะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันพอเนี่ยจิตมันจะรวมรวบข้ออภปนาสมาธิรวมของมันเองนะมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับอยู่สองสาขณะแล้วถัดจากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะล้างกิเลสอริยมรรคเวลาล้างกิเลสนะจะไม่เหมือนการล้างกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยการข่มไว้นะ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 ตามเห็นเนืองเนืองซึ่งจิตนะเพราะงั้นจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตโกรธไม่ใช่ไปรอดูนะว่าต่อไปนี้จิตชนิดไหนจะเกิดขึ้นถ้าไปอ่านสติปัฏฐานให้ดีท่านจะสอนไม่ชดัชดๆเลยนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมราคะเกิดก่อนนะแล้วรู้ว่ามีราคะถ้าไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายจง จ, จงรอดูซิว่าอะไรจะเกิดในจิตของเธอไม่ได้สอนอย่างนี้เลยนะ ว่านจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตหลงไปใจลอยไปรู้ว่าใจลอยไปไม่ห้ามนะแต่ใจลอยไปรู้ว่าใจลอยไปให้สภาวะเกิดก่อนแล้วตามรู้นี่คือกฎข้อที่1นึ่งกฎข้อที่สองอันแรกก็คือก่อนจะรู้เนี่ยอย่าไปดักนะอย่าไปดักดูก่อนจะดูเนี่ยก่อนจะรู้จิตก่อนจะดูจิตอย่าไปจ้องเอาไว้ให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยตามดูเอากฎข้อที่สองระหว่างดูจิตเนี่ย ระวังอย่าให้ถลําลงไปจ้องระวังอย่าถลําลงไปเพง่งอย่างพวกเราเวลาหายใจสังเกตไหมเวลารู้ลมหายใจบที่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเวลาดูท้องผองยุบจิตชอบไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมบางทีจิตไหลไปอยู่ที่เท้านี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราเห็นความโกรธฝุดขึ้นมานะให้ดูสบายๆนะดูแล้วเหมือนจะเห็นว่าคนอื่นโกรธนะไม่ใช่เราโกรธนะดูห่างๆล้ว เ, เห็นความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้าน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 รู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วไม่แทรกแซงมัน <c oughs> อย่าไปจ้องไว้ตอนนี้ที่ผิดคือผิดกฎข้อที่หนึ่งคือไปจ้องเอาไว้ <c oughs> บังคับไว้<า>ไปดักไม่ให้มันกิด ข, ขึ้นมาไปดักเอาไว้ <c oughs> คนต่อไปขอขอบพระคุณค่ ะ, ะกับท่านเจ้าการหลวงพ่อนะคะฟังเทพของหลวงพ่อได้ประมาณเดืเอนหนึ่งไม่ทราบว่ารู้กายรู้ใจเนี่ยจะทำยังไงคะก็รู้อยู่แล้วละ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 เวลาเดินจงกรมนะั้แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเห็นร่างกายมันเดินไปนะค่อยๆรู้สึกเวลาเวลานั่งสมาธิแบบรูปแบบที่บ้านอาลีนะคะทีนี้มองเหมือนเห็นมือแต่ว่าไปคิดอย่างอื่นให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วควรจะกลับมาที่ฝึกรูปแบบหร้อเคะรูปแบบต้องทํานะแต่เวลาฝึกกรรมฐานในรูปแบบไม่ใช่ว่าต้องไปเดินจงกรมในรูปแบบหรอก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 เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวทำตัวเป็นคนดูไปเร Time ื่อยๆนั่นแหละกรรมฐานที่ดีที่สุดเลยค่ับกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะกลาบนมัสการครับช่วยย้ายมาทางนี้ได้ไหมหลวงพ่อนเนี่ยหัวกับคอมันไม่สามารถขี่กันถ้าหันไปแล้วนะมันจะไม่ยอมหันกลับมาละ <ury> เอาเลยหลายๆคนมาใครจะถามบ้างนะมาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อนี่ช่วยหลวงพ่อนิดนึง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 พยายามกลับมารู้สึกที่ความรู้สึกบ่อยๆนะใจมันจะได้ก ล, กลับเข้ามาหาตัวเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้เจ้าค่ะในนักศึกษานินสิตเนาทถามธรรมสถารหลวงพ่อค่ะเจ้าค่ะอยากถามถึงการปฏิบัติของตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเป็นยังไงอะคะก็ดีนะไปขยันดูนะแล้วก็ทำงานไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูที่ฝึกอยู่ใช้ได้ใจมันตื่นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออมันตื่นแล้ว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 ขอถามอีกข้อหนึ่อนะคะรู้รู้รู้ตัวกับหลงรู้ต่างกันยังไงคะหลงนะหลงรู้นะเหมือนกับรู้อยู่แต่ไม่รู้จริงหรอจิตไม่ตั้งมัน่นอย่างบางคนนะภาวนาไปเห็นสภาวะเกิดดับตั้ช่วงนะจิตมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าเนี่แล้วมันโล่งมันว่างอย่างนะเหมือนจะรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยจริงๆหลงอยู่จิตไม่ตั้งมั่นหรอจริตไหลไปแล้ะขอกันไรหลวงพ่ อ, อ ค, ค่ะอย่าหลงรู้สิอย่ากดไปนะอย่าประคอง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 เนี่ยมันกลัวหลวงพอจิตนิ่งให้รู้ว่านิ่งนะ<ช>จิตกลัวให้รู้ว่ากลัวเห็นไหมมันนิ่งเอง<ช>มันกลัวเองนั่นแหละเรียกว่าเราดูเป็นมันทํางานของมันเองดูไปเร Correct, <ๆ>ื่อยๆได้ครับตอนนี้เป็นหน่วงจิตให้ซึม<ช> <ขอ S 1> เป็นหน่วงจิตให้นิ่งนิ่งซึมซึมนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วตามดูไปนักปฏิบัติที่ดีนะแทบจะไม่ต่างอะไรกับคนที่ภาวนาไม่เป็นคนที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยนะจิตแวกว่งขึ้นแกวนลงทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายๆๆๆทั้งวันเลย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 ดูมันสบายสบายไปตอนนี้กดอยู่ทราบไหมอย่าไปกดสบังบังคับไม่ไม่ดีปล่ยมันเมื่อใจเราไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจใจคับแค้นรู้ว่าใจคับแค้นใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆดูเหมือนเราเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะขราพเจ้าบามิสกิหลวงพ่อเจ้าค่ะ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 จะถามหลวงพ่อว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกนะไปดูเรื่อยๆดีละอ๋อครับขอบคุณมากครับหมดแล้วนะหมดแล้วหดแล้วหลวงพ่อก็ลาละท่านอาจารย์เจ้าขารู้สึกว่ามีปิติก็เห็นว่ามีปิติดี <c oughs> อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอนุโมทนามากก็คือชาวพุทธทั้งหลายได้รู้จักหนทางของอริยะ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 ตามรู้กายรู้ใจอย่างที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้กรุณาตลอดจนนิสิตสาวิกาศิขาไยก็กลัวๆกล้าๆไม่กล้าถามจนกระทั่งค่อยๆคานมาถามกันทีระดับระดับซึ่งก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเจ้ค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ตั้งใจที่จะทําให้หลวงพ่อเองที่มาเสถียรธรรมสถานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของพวกเราทุกคนเจ้าค่ะ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 ก็เหมือนท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติผู้หญิงทุกคนคุณแม่จะขอเป็นตัวแทนนะคะสิ่งที่ทราบซึ้งคือท่านอาจารย์บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเอาสั้อั้งถวายท่านอาจารย์ <c oughs> มีเสียงแว่วมาเจ้าค่ะ <c oughs> เสียงแว่วเพราะท่านอาจารย์ถามถึงแล้วก็บอกว่าท <c oughs> ่านอาจารย์ไม่ได้ใช้ แต่โยมก็ใช้หลักการบุญญาภาคีว่าท่านใดที่ประสงค์ที่จะถวายปจัจจัยต่อท่านอาจารย์ก็เปิดโอกาสอยู่แล้วทุกอย่างก็จะตามไปตามที่ทุกคนมีความตั้งใจนะใช่ไหคะืคอขอขอโทษนะคือถวายหลวงพ่อได้นะแต่หลวงพ่อขอช่วยการของคุณแม่นะเราได้บุญไหลต่อเลย